นายของเราอย่านั่งให้หลังโน อ, อย่านั่งเอียงซ้ายเอียงขวาข้อที่สตั้งศีรษะให้ตรงมองไปหน้าให้พอดีอย่าก้มไปนักและอย่าเหยไปนั่งข้อที่สเอามือของเราวางซ้ายขวาระหว่างก้นเขา่าแล้วก็นึกถึงเรื่องราวของพระพุทธธรมรมผส์สักระยระยะหนึ่งข้อที่หยกพดมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานขอบำเพ็ญสิณภาวนา สินสมาธิปัญญาล่องรอยของพระเจา้าสุดความสามารถขององค์สมาธิข้อที่หกราบลงไปในพระพุพะทธธรรมประสงค์ข้อที่เจเข้าสมาธิภาวนากายเป็นธรรมแล้วก็จิตเป็นธรรมนี่ำหรับบ า, บาศบาสิกาาชีก็คงจะเข้าใจกันนะเอาละเริ่มได้เลยข้อที่หนึ่งตั้งฐานให้ตรงต้องตรงนะ ข้อที่ห น, น, นึ่งตั้งฐานนั่งเพรเพียบให้เรียบรนะ้อยเอาละข้อที่สองต่อไปตั้งกายให้ตรงข้อที่สามวางทิศให้พอดีหรือให้ตรงบางไปหน้าเราให้ตรงตรงทาไมมองไปทางหน้าคอประมาณทีกสาวาข้อที่สี่เอามือจับหัวเขา่าใต้ขวา ข้อที่ห้าพดมมือขึ้นทุกองและจะโยมตัวแต่นี้แหละเรื่องของเราที่จะตั้งกิจอธิษฐานขอบำเพ็ญสินสมาธิปัญญาตามล่องรอยของพระอริเจ้าและแต่ลราจะนั่งหรือ น, นั่งไปตั้งเท่าไหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสิ้นสุดของการนั่งสมาธิหมายกําหนดสามสิบนาที เสร็จแล้วกราบลงไปข้อที่หกราบกราบด้วยความเต็มใจที่เรียกว่าศรัท ธ, ธาภาษาธาองค์พระพุทธระธรรมประสง์รัจธรรมพระพุทธธรรมประสงเป็นแก่นสารเราจึงใช้คําว่าพุทธังสรารนังขจฉ า, ามิธรรมังสรนังขจฉ า, ามิสังมังสรารนังขจฉ า, ามิพระพุทธธรรมพระสง์เป็นสารนะเป็นที่พึ่งของเรา แล้วเราก็เข้าสมาธิเอามือซ้ายวางที่หน้าตักมือขวาทับมือซ้ายหัวนิ้วโป้ชนกันนิดๆไม่ถึงขนาดไปกดหัวนิ้วโป้เข้าหากันแล้วเราก็หลับตาภาวนาพุโทโธส่งจิตส่วนกายก็นั่งนิ่งๆเฉยๆอย่าเคลื่อนไหวไปทางไหนอย่าไปใช้มือของเรา ปายโนนปายนี่หรือทำโนนทำนี่เขาเรียกว่าสมาธิของพระต้องมีอุเบกขาเป็นอิสระเพราะเรามาเอาเยี่ยงอย่างของพระเป็นวินัยแล้วต้องรู้จักคำว่าหนึ่งขันติอดทน 2. มีสติพิจารณาถึงคุณธรรมในสิ่งที่เรียกว่ากายคําแล้วก็จิตเราธรรมอีกสักพักหนึง่นะงโยมผู้หญิงโยมผู้ชายบาศกบาจิ ก, กา ฝากมิสัยไว้กับพระอริเจ้าดีกับาฝากมิสัยไว้กับเขาเดือเราจะกลับไปบ้านเออวันนั้นไปที่ทำมาพระท่านสอนให้นั่งสมาธิจิตมันจะได้ผ่องสายเอาสักหน่อยนะ่2สองนาทีก็ยังดีห้านาทีต่อไปเราจะชอบอะไรไม่สุขถ้าเราทำสมาธิเหมือนอย่างคำที่ท่านสอนว่าจิตตัทันตังสุ ข, ขาวัง จิตที่ฝึกฝนด้วยสีนสมาธิปัญญาคือจิตเป็นสุดสมาธิสามารถจะกำจัดเหตุเข้าใจเหตุสามารถจะรู้จักคำว่าผลหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตรนได้เขาเรียกว่าสีนสมาธิปัญญาเอาล่ะภาวออน า, ากันสันเดียวนะตอนนี้เราต้องช่วยตนของตนนะ เราอยากจะมีคำว่าอัตตาหิอัตโนนาิโถแล้วก็ต้องต้องช่วยตนให้มากไม่มีใครก็ช่วยเราได้นะคนตายคนขวาที่นั่งคนข้างจะมาช่วยคนให้เราหรือมาทำส ต, ติให้เราไม่ได้นะตอนนี้สติและสรมปรัญญาต้องคงที่อยู่กับคำว่าภาวนาพุโทโธข้อที่สองมีสติมีสรมปรัญญาขันติอดทนต่อเวทนาคือการปวดการเมื่อย เวกขาวางเฉยเอยอเจอาจังที่พระเจ้าเป็นเพนสมาธิจะ เ, เหลือแต่โครงกันจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแม่ทานต้องทนขนาดไหนเราก็เอาบรรทอเป็นวิ น, นัยเล็กๆไม่น้อยก็ให้รู้จักความคนต่อไปเดี๋ยวไปทำที่บ้านจะได้เออฆ่าตัณฑ์สองให้คนนะเราก็ต้องทนมือสิ ภาคต้องให้มีสติแล้วก็ต้องมีสติมุสิอะไรอย่างี้เาเรียกว่าจับตงคนตนหาเหตุหาผลจากกายวาจาจิตของตนเป็นใสมิสัยที่เราทานี่ก็เรยนิสัยทำอยากจะมีทำไมอยากมีครับอยากมีค่าอ้าวอยากมีก็ทำอย่างนี้นี่เนะ่เาเรียกว่าอตตาหิไม่ใช่ว่าปัจจัย4บุญท่านที่สองคือหมันเจริญสินสมาธิปัญญา บนชั้นที่3าการภาวนาเป็นจิตคือภาวนาให้จิตของเราเป็นเอกัเอกัก็แปลว่า1เอกัพจิตจิตเป็น1ได้เป็นบุญชั้นที่สา ม, มนั่งสะสมเอาไว้ไม่เสียหายบุญเป็นสิ่งที่ดีบาป ท, ทำเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ ฟามสา ม, มารถของสมาธิ <S <S เรานะก็ไม่บังคับหรอกมันจะได้สักก <um mm. <uh ี่นาทีก uh, ันเรื่องของเราหน่าทีสนาทีสามนาทีสิบนาทียี่สิบสาสิบเป็นจุดหมายกายภาเนี่ยเราเราไหวองค์พระเจ้าของเราอ่ะเป็นผู้ประเสริฐ เป็นพระอเจ้าที่น้ากราบหน้าอหวยท่านเป็นบุนคคลที่ดีดีทั้งทางกายดีทั้งทางวาจารและก็ดีทางจิตและท่านก็หยิบยื่นความดีที่ท่านมีอยู่ให้เราเทำเพื่อจะได้เป็นคนดีกับคนบ้างดีมากดีน้อยแค่ไหนก็ได้แต่เราก็ียกว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆวันหนึ่งดีถึงที่สุด ดีเคาเรียกดีชันกะดีเจา้าคงมาเกิดขึ้นแ ก, ก, แกน่กายอาจิตของเราการภาวนาอย่าทำจิตใยนะตั้งจิตนิ่งๆพุทโธเป็นที่พึ่งในขณะนี้หน้าที่ของจิตคือการภาวนาพุทโธ อย่าพุ่งก้า่อย่าไปคิดอย่าไปห่วงอย่าไปกันนงวนทำจิตเพ่านั้อย่างเดียวแล้วกายจะนั่งอยู่เฉยเฉยอย่าไปกระดุกกระดิกในงั้นเบรกขาไม่ได้ขันติอดทนไม่ได้หรือจะไม่ได้แต่เพ่งลิ้นเฉยเฉยถามว่าขันติแปลว่าอดทนรู้เสียเบรกขาแปลว่าเวงเฉยรู้เสียจะไม่เคยทนไม่เคยเฉยเลย ต้องให้จิตตอบได้แล้วก็ให้กายตอบได้ถึงจะเรียกว่ารู้จักไม่ใช่ว่าให้ริมตอบได้เฉยๆตามคามสามารถนะเสรีภาพของความเป็นไทยคือไม่มีการบังคับถ้าจะเรียกผัดคำสอนพระพุทธเจ้าทำด้วยศรัทธาคือความเชื่อทำด้วยภาษาทคือเรื่องสาย ทำด้วยน้ำจิตน้ำใจที่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจา้าถึงก็เรียกว่าเต็มใจทำเจ้าเนี่ยไปนั่งอย่างนี้เนะี่ยถึงหปีนะไปนั่งไปเดินไปยืนไปใสยญยาิไปทำใจในร่องรอยของพระธเจ้าเนี่ยหา6ปีถึงได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรคือโลกอะไรคือธรรม อะไรคือกรรมอะไรคือธรรมใช้เวลาถึงหกปีนั่นลักษณะของสัพพัญญูที่จะกัดสรุในปัจจุบันนะเขาเรียกว่าจิตของสัพพัญญูความสามารถของท่านความแข็งแกร่งความเด็ดเดี่ยวความเพียรความพ ย, ยายามแม้ลูกกษัตริย์อยู่ในเมืองเนื้อเหลือง ไม่เคยลำบากแม้แต่นิดเดียวเราไปนั่งหายุงให้ลิ้นให้ลายกัดอยู่ในป่ามหปีแล้วเราลองคิดสักนิดมาทาันขันติอดทนไหมไม่ใช่ว่าศาสนาเจริญอย่างนี้ยังไม่มีคำว่าพุทธไม่เช่มามีกติใครไม่ได้ไปปลูกกติให้อยู่พเพราะฉะนั้น่าพุทธบิดาแปลว่าพูดที่ ต้องเป็นอ่ า, อาแปลว่าผู้ที่ทำงานหนักกอจะได้คำว่าองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยต้องทำงานหนักขนาดเราเป็นบุตรแปลว่าแปลว่าผู้รับบ ร, รดกบ ร, รดกของเราก็คือเยี่ยงใหญ่และร่องรอยสามประการของพระพุทธธรรมปร ะ, ประสงค์ทำเพื่อตัญยูกัตเวทีทำเพื่อ รักษาความดีที่ท่านได้ทำเไวหรือสอนขไวเขาเรียกว่าทําด้วยน้ําใจทํำด้วยจิตด้วยน้ําใจที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาไม่จะทำอย่างเสียไม่ได้เกรงใจถูกบังคับหรือว่าทําเพลราประลยศเพล ย, ยินดีการกินการอยู่การนอนอะประเภทอย่างนั้นองค์วศิทธะออกบวช โอ้ไปนั่งอยู่ในป่ามุงก็ไม่มีจักรการมอนก็ไม่มีเจต น, น์เสนื้อยไม่เหยียบปูจะไปนอนอยู่ตามตีนเขาตามห่วยตามน้องตามป่าตามลกเนี่ยเดินอยู่ในร่อง้อยที่เราทำเนี่ยหปีจึงได้กับรู้เป็นอาอาเป็นองค์สัพพันดูหรือว่าอนุตรัสสัมมาสัมโพธิญาณ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 ถ้าไม่มีสัพพัญญูคือองค์ุจเจ้ามาสอนเราแล้วก็เราก็คงจบนี่เนี่ยพระคุณของท่านมีคุณต่อจิตของเรามากนักจิตคนจะดีเนี่ยต้องอาศัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ดัดหรือแก้ไขถ้าไม่มีพระพุทธสพระพุธรรมพระสงฆ์ดัดแล้วก็สายมันจะแข็งก็ได้าก็เรียกว่า นิสัยที่ไม่รู้จักคาว่าอารมณ์หรือทิฏฐิอะไรประเภทอย่างนั้นธรรมนี้นเ่าก็ปฏิบัติธรรมเพื่อดูร่องรอยของท่านผู้มีธรรมดูร่องรอยของท่านที่รู้จักกรรมและเราเป็นบุตรรู้จักธรรมและรู้จักกรรมเนี่ยควจะตอบสนองท่านอย่างไงดีจึงจะเรียกว่าบุตรที่ดีบุตรที่ดีก็ตะบัดนญูกัตเวทีต่อพุทธบิดา พระพุทธเจ้าเน่เหมือนพ่อพระธรรมเน่เหมือนแม่พระสงฆ์อ่ะคือแนวทางคนะือตัวของเราถ้าสงไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่หรือบุตรไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่นะ่ยแล้วลูกได้ดีไหมวจะเป็นนักบวชเป็นอุบาสกตกราอะารกักรแต่นะ ถ้าไม่เชื่อในธรรมะคาสอนของพ่อแม่แล้วจะเป็นยังไงก็จะเกิดเป็นอัตตาการถือตัวยิงยะโสอวดดีถือตัวใช้อารมณ์ประหัตประหารติเตียนเสียดสีทำลายอิจฉาลิสยาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในคาว่าไม่เชื่อคําสอนของพ่อแม่อ น, นั้นพระพุทธเจ้ า, จ, าจึงเรียกว่าเหมือนพ่อหรือว่าพุทธบิดา ถ้าทำเหมือนแม่แม่ก็จะเลี้ยงกายเลี้ยงจิตพ่อไปจะนำทางชีวิตให้สู่ความปลอดภัยเรื่องของเวงของกรรมเรื่องของความทุกขต์ต่างๆเนี่ยขอให้ข้าใจถึงคำว่าคุณกับโทษทำไมนะสาวกที่เชื่อพระพุทธเจ้าเน่จึงมีแต่คำว่าคุณคือได้ดีทำไมสาวกที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าน่ ก็มีแต่โทษคือไม่ได้ดีพระเจ้าไม่ได้สอนให้มานับคือท่านหรือว่ามาส่งเสริมท่านมาเยือนยอท่านหรือเอาอะไรมาให้ท่านแต่เจตนาพระเมตตาคือท่านเมตตาเราด้วยน้ําใจกะรุณาเราด้วยน้ําใจมุทิตาเราด้วยน้ําใจ กูเบรขาด้วยน้ำใจเขาจึงเรียกว่าชมรมจึงสมควรเป็นที่รักของของบุตรจึงเรียกว่าพระพุทธธรรมพระเสริเนี่ยจำไว้ึกษาหาใจความจะให้รู้เรื่องท่านจึงบอกว่ารรมบทที่หนึ่งถึงท่าป่าช้าสามทำย้อนหลังเขานะ ทำมบทที่หนึ่งถึงท่าป่าชาสาังที่หนึ่งอะไรอ่ะก็นี่แหละสังขารมนุษย์เนี่ยนี่ท่าตีขันห้าวิญญาณและจิตเรียกถึงท่าที่หนึ่งท่ามนุษย์จะรู้จักตีจักทั่วต้อง ส, สางถึงเรื่องกรรมดีกรรมทั่วที่อยู่ในจิตในกายเนี่ยเขาเรียกว่าทำมบทที่หนึ่งถึงท่าป่าชาสาังถ้าเรามนุษย์คนไหนไม่สมังสิ ทำเป็นไม่ยินดีความดีความทั่วอยู่ในตัวของตนสิมนยนก็จะเห็นตนเองดีแล้วก็จะใช้ไอ้คาว่าอัตาอตาถือตัวถือตนเป็นใหญ่ศึกษาธรรมโลกุตราเนี่ยต้องศึกษาทางจิตเลยนะฟังดีๆแล้วก็ได้ได้แนวทางเลยถ้าฟังไม่ดีไม่สนใจแล้วงงเลยหลงทางเลย เขาเรียกว่าย่อทำแปดหมื่นสี่พันก็ทำมาขันเหลือทำยอ่ยอนๆพอได้ใจความเพื่อให้เรานี่ได้กระทำขึ้นเป็นทำเก่ า, น, า น, นะโยมนะทำเก่ามาเล่ากันใหม่เขาเรียกว่าทำย้อนหลังไปดูเยี่ย่างคนมีธรรมแล้วก็คนมีกรรมคนมีธรรมแล้วก็คนมีกรรม นี่คือทำด้านหลังแต่ทำปัจจุบันนี้เ้าเรียกว่าทำตําราคัมทีร์ทเดินหน้ามีตําราเป็นสมุทฐานแะ่เรืการบริหารการงานเรื่องของความดีความชั่วหรือเรื่องบุญบาปปัจจุบันนี้คนเราก็ไม่คพื่อที่จะสนใจเท่าที่ควรเขาเกิดขึ้นจากคาว่ารู้ก่อนคํา โดยที่ไม่ได้มีการศึกษาในสภาวะของความเป็นจริงเท่าที่ควระนั้นทมที่นำมาสอนรัพนิชีและก็บาศก บ, บาจิกาทั่วๆไปก็คือทมย้อนหลังเรียกว่าเอาธรรมสมัยทั้งพุฏิการน่ะ มาเป็นสมุดฐานแห่งการกำหนดชีวิตเลยจึงมีเรื่องราวต่างๆวางไว้เป็นหลักการสาหรับสถานที่นี้เรื่องของบุญสามประการบางคนนี่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเท่าที่ควรหนนะจะสนใจจต่เรื่องกินเรื่องนอนเท่านั้นแหละขอให้ข้ากินดีขอให้ข้นอนดี ขอให้าพมีอะไรดีๆใช้ในปัจจุบันเอาไปแค่นี้นักบวชก็เหมือนกันในะปัจจุบันนี้ก็เอาไปแค่กินดีๆนอนดีๆมีอะไรดีๆใช่ปัจจุบันคแค่แค่นี้เองเลยก็เลยไม่ ไ, มได้ไไม่ไ ด, ไมได้ตัดได้ส่วนถึงเรื่องการที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์รู้จักดีจัดชั่ว แต่ถ้ามนุษย์เราไม่รู้จักดีจักชั่วเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์โง่ขับมนุษย์ว่างเปล่าคือว่างป่าจากความรู้ของคำว่าบาปบุญโดยแท้จริงก็จะมีบาปบุญเพียงปลายลิ้นสาหรับไปพูดในคำว่าบุญและบาปเท่านั้นแต่สภาวะจิตจริงๆแล้วไม่รู้เลยว่าบุญเป็นยังไงและบาปเป็นยังไง ความรู้สึกในการที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองเรื่องบุญบาตจึงไม่หมายกเสมอขึ้นในชีวิตปัจจุบันใน ท, ที่เรียกว่าเริ่มสร้างเริ่มสร้างความดีหนีความชั่วหรือว่าเริ่มสร้างบุญหนีกรรมอะไรประเภทอย่างนี้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถึงเรื่องชีวิตของบุคคลเราที่เกิดขึ้นในโลกเ้าเรียกว่าชีวิตแห่งความเป็นหนี้ เราทุกคนเป็นนี่กรรมกันมาคือกรรมนำมาเกิดสงให้เรามาเกิดก็โดยอาศัยที่เรียกว่ามีบุญเป็นสมุทฐานนิดหนึ่งตอนที่ว่าได้เกิดเป็นมนุษย์กับเขาแต่ถ้ามนุษย์เ่านันไม่รู้จักหน้างางของบุญและไม่บาเพ็ญบุญให้ถูกต้องตามลักษณะแล้วมนุษย์เราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ไร้ค่าเรื่องราวของบุญขึ้นก็จะมีกรรมเป็นสมุทฐาน อาจจะเปลี่ยนร่างเป็นทรงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจขึ้นในอนาคต ต, ต่อไปคือตามหลักของพุทธศาสนาแล้วพ่กล่าวถึงเรื่องคําว่าอบายภูมิคือจิตที่มาจิตที่รักเลยต่อบุญกุศลสร้างแต่เวนแต่กรรมก็เลยมีอบายภูมนะิเป็นเครื่องกําหนดเช่นนรกสัตว์เปรตอสุรกายเป็นต้นนนเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนทรงเป็นจิตเปลี่ยนใจในสภาวะของมนุษย์ทั้งหลาย นะที่มีนิสัยแห่งแห่งกรรมเป็นใหญ่เพราะนั้นสถ า, านที่นี้หรือว่าคำโลกุตระที่นำมาสอนตัางมาตั้งอยู่ที่สถานที่นี้ค่ะ ถ, ถ้าคิดกำหนดแล้วมันก็18ปปีนะตั้งแต่2 5งพถึงเวลานี้18ปีเต็ม น, นะมาตั้งแต่สมัยมีบาทรูปกดคันมาทั้งสมัยนี้มีพระไม่ชีประชาชน ก็พอสมควรถ้าประชาชนที่รับหลักการเรื่องของธรรมหลักนี้ไปก็คงจอาจจะเป็นเป็นล้านนะใน18ปีที่ราขยายธรรมขึ้นก็โดยที่เรียกว่ามีจุดประสงค์อยากให้มนุษย์มีธรรมก็ได้เปิดการสอนธรรมขึ้นในสถานที่นี้3เดือนเต็มนับตั้งแต่แลม1ค่าเดือนเดือน8ถึงแลม1ค่าเดือน11จะมีอย่างนี้ทุกวัน ภาพเช้า9้าโมงถึงเที่ยงภาคบ่ า, บายสองถึงสี่โมงเย็นภาพกลางคืนสองทุ่มถึงห้าทุ่มอย่างนี้ตลอดไปเป็นการฝึกฝนนิสยัยสร้างความประพฤติให้มีความเข้าใจในหลักการขึ้นสำหรับการประกอบชีวิตของตนเองทั้งฝ่ายนักบวชก็ดีทั้งฝ่ายบาศกบาติกาขดีก็จะได้มีหลักการในการนาไปใช้ชีวิตขึ้นทั้นสุดท้ายเขาชีวิตมนุษย์ที่ ที่มีการอบรมหรืมีความประพฤติ ด, ดีนะั่นเาเรียกว่าอริยะเขาเรียกว่าพระอริยะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ทําตนมาจากธรรมบุญกุศลในทางศาสนานี้จึงกล่าวถึงธรรมบุญไว้สามประการด้วยกันที่เรียกว่าบุญของสัจจะที่เกิดขึ้นจากการมีข้อเกิดขึ้นและมีข้อยุติประชาชนบางคนท่านเนร แม่ชีบางคนนี่ยังไม่้เข้าใจในการบทเรียนว่าบุญกุศลไปถึงไหนมีข้อยุติอย่างไง ท, ทั่วไปโดยมากจะมีคําพูดแบบบุญเท่านั้นเองบุญแปลว่าสุขบาปแปลว่าทุกข์พูดได้แค่สองคำแต่สถานจริงๆและต้นเหตุสาเหตุของบุญและกรรมบุญและบาปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าอับจนในสัจธรรมเระพูดแต่เจ้าเลยก็เลยมาใช่อีกระเพสสะเพเฮละเข้าหลอกล่อประชาชนให้เกิดศรัทธาศาสนา ที่เราเรียกกันว่าเครื่องานของถังกาตุดผ้ายานันให้หวยหมอดูทําตนเป็นมายาสมัยนี้มีพระคนทรงเขมีเข้าแสดงตนเป็นคนทรงผงผีคนสาอะไรไปตำหนึ่งตำราวเขาเรียกว่าไร้สัจธรรมพระพุทธเจา้าจึงไม่มีประสิทธิภาพขึ้นในชีวิตแตนี้นะักบวชที่ว่าเป็นผู้นําไม่มีประสิทธิภาพทางสัจธรรมพระพุทธเจา้าแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลที่เป็นโหมก ข, ขก็จะใช้มายา ในวิชาต่างๆซึ่งเขาเรียกว่าวิชาของคนไม่รู้เท่าของคำว่าบาปกรรมเหล่านั้นมาใช้ขึ้นเขาเรียกว่าอาวิชาโยา น, นยทุกคนมาปั่ธรรมที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วควรจะเข้าใจสนิดหนึ่งถึงเรื่องบุญปกติท่้งอาเขาชี้แจงเรื่องคำว่าบุญและก็บารมีมาตลอด18ปปีเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจขึ้น คนไหนเข้าใจแล้วก็สร้างความประพฤตในบุญทั้งตนเองต่อไปคนไหนไม่มีความเข้าใจเขายัางจะสร้างขึ้นเพื่อเกิดเปความเข้าใจบุญชั้นที่หนึ่งนี่นเขาเรียกบุญที่เกิดขึ้นจากคาว่าปัจใจสี่ปัจใจสี่ในที่นี้หมายถึงธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟซึ่งบุญเหล่านั้นพระเจ้าทรงให้มีความเข้าใจถึงว่าธาตุทั้งสี่ ก็คือชีวิตของเราที่ประกอบไปด้วยสังขารที่เรามีสังขารนั้ก็เกิดขึ้นจากการให้ธาตุการให้ธาตุแล้วก็กลับกลายมาเป็นธาตุที่เขาเรียกว่าสังขารมนุษย์เป็นธาตุแห่งธรรมเราดูที่พระพุทธเจ้ามีธาตุอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าก็มีธาตุสี่บำเพ็ญศีลบา ร, รมีมาบำเพ็ญบา ร, รมีมาถึงคีความสุดท้ายกลายเป็นธาตุธรรมแห่งความบริสุทธ นี่ข้อยุติข้อกาเนิดของของบุญข้อที่หนึ่เขาเรียกว่าปัจจัยสข้อยุติของบุญคือมีมีสังขารความเป็นมนุษย์นี่คือข้อสุดท้ายคือข้อยุติทีรทำบุญเชิงเราจะทําบุญไปแค่ไหนก็ช่างเถอะจะสร้างโบสถ์สร้างสลาวิหารลานเจดีย์ช่วยเหลือประชาชนหรือโรงเรียนหรือจะเป็นบ่อน้านถนนหนทางโรงพยาบาลอะไรก็ทำมาเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดแม้แต่ะถนนเดียว แต่มีข้อยุติเพียงได้สังขารได้สังขารในความเป็นมนุษย์เท่านั้นเขาไม่ให้มากไปกว่านี้หรอกตอนนี้เมื่อมนุษย์คนนั้นมีสังขารของสุขทิมนางแปลว่าได้เกิดขึ้นจากขั้การให้ด้ยน้ําใจไม่มีใครบังคับถูกเข็มหรือหวานจับหรืออาหนาอัตาแล้แลวมุษคล น, นั้นจะได้คำว่าบุญบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากจิต จิตนั้นได้รับคำได้รับธรรมะแปลว่าคําสอนของพระเจา้าจึงมีจิตใจอิ่มเอิบในเรื่องการทาบุญและเราก็ได้สังขารมานั่งกันแบบนี้แต่นี้ถ้าเราไม่มีบุญข้อนี้มากําเนิดขึ้นนีเราจะได้มานั่งอย่างนี้ไหมเราจะมารู้จกักกินจัดอยู่รู้จกักเลือกทําความดีความชั่วกันไหมเราจะมารู้จกักคําว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพระคุณพระธรรมพระสงฆ์กันไหม ถ้าเราไม่ได้ให้ปัจจัยสีในอดีตที่เรียวกว่าบุญของตนดองไว้ทะานั้นเมื่อบุญนี้ส่งผลมาถึงข้อแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องมีจิตอีกประเภทหนึ่งควบคุมของเราไว้ซึ่งเขาเรียกว่าจิตมีปัญญาซึ่งประกอบไปได้วยคำว่าศีลสมาธิและปัญญา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 สินน่ะหมายตำรวจของเขาว่าอยู่ตรงไหนสินไม่จะสินห้าสิ8ศินสองอี่สิบอันนั้นเป็นสินภายนอกที่เรากล่าววาจาขึ้นดูสิน่ะคนถือสิน5้าสินแปดสิินสองี่สิบน่ะมีความมันขึ้นเป็นเช่นไรเอาแต่ศินวาจามากล่าวกันขึ้นแต่ว่าสินใจคือด้านอารมณ์นั้นไม่เคยคานึงไม่เคยพูดถึงและไม่เคยกระว่าไม่เคยที่จะสนใจในการที่จะสํารวมในคำว่าสินของอารมณ์ขึ้น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 เห็นคนนั้นขาดสติสัำไปทัญญะแห่งการใช้อารมณ์แล้วจะเกิดเป็นอุบัติแห่งกรรมเลยเรียกว่ากรรมเกิดขึ้นแล้วพระนั้นสจัจธรรมพระพุทธเจ้าจึงให้เราสำรวมในคำว่าอารมณ์เหมือนกับการถือศีลมนุษย์สมัยนี้มาถือแต่คำว่าศีลหสิศีล8ถึง227แต่ไม่เคยถืออารมณ์แล้วมนุษย์เหล่านั้นจะมีความรู้สึกขึ้นได้ไหม พระเจ้าไม่เคยมาถือศีลสองร้อยสิเจดในเรื่องความบริสุทธิ์แต่พระเจ้าทรงบัญญาตถึงคนที่ผิดศีลในเรื่องอารมณ์ตา่างๆจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติขึ้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นแท้จริงแนละ้วพระเจ้านะ่ะสำรวมอารมณ์จนบริสุทธิ์ตั้งสมาธิจิตใจที่แน่วแน่ที่จะพิจารณาถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นการตายต้าอารมณ์เนี่ยคำว่าจิตที่สนใจจงเรียกว่าสมาธิ พอเราต้อมีสมาธิที่จะดูในลักษณะอารมณ์ปรุงแต่งจิตแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอารมณ์อะไรควรทําและอารมณ์อะไรไม่ควรทําถ้าอารมณ์เราใดที่มันควรทําเกิดเป็นสันติธรรมแล้วเขาก็ทํำขึ้นแต่ถ้าอารมณ์อะไรที่มันทำให้เกิดเป็นลักษณะปะุถุสลายกายวาจาจิตแล้วเขาก็ไม่ทํานั่นคือเยี่ยงอย่างของคนที่เขามีธรรมแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยจะมาสํารวจคำว่าอารมณ์กันเท่าไหร่นักหรอกสังเกต ด, ดูก็ได้